เรื่องภิกษุถูกลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติได้สึกไปเขากลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีกพึงถามเขาว่าเจ้าจากทําคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจะทําคืนขอรับพึงให้บรรพชาถ้าเขาตอบว่ากระผมจะไม่ทําคืนขอรับ ไม่พึงให้บรรพชาครั้นให้บรรพชาแล้วพึงถามว่าเจ้าจกทําคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจะทําคืนขอรับพึงให้อุปสมบทถ้าเขาตอบว่ากระผมจะไม่ทําคืนไม่พึงให้อุปสมบทครั้นให้อุปสมบทแล้วพึงถามว่าท่านจะทําคืนอาบัตินั้นหรือถ้าเขาตอบว่ากระผมจะทําคืนขอรับพึงเรียกเข้าหมู่ ถ้าเขาตอบว่ากระผมจกไม่ทําคืนไม่พึงเรียกเข้าหมู่ครั้นเรียกเข้าหมู่แล้วพึงกล่าวว่าจงทําคืนอบัตนั้นเสียถ้าเขาทําคืนนั่นเป็นการดีถ้าไม่ทําคืนเมื่อได้สมัครคีพึงลงโอเคปณิยกรรมอีกเมื่อไม่ได้สมัคคีไม่ต้องอบัตเพราะกินร่วมและอยู่ร่วม